แล้วก็ตั้งความปาถนาให้มันพ้นอันนี้สัทีหนึ่งและจะได้เอาอันใหม่กันนะก็คิดอย่างเงี้ยผุุ้ชนมันเวลาแก้นะก็เด็ดยอดซะหน่อยแล้วก็แตกไปเรื่อยแล้วก็ไปเด็ดยอดอีกก็บาลเด็ดก็บานเด็ดบานเด็ดบานอยู่อย่างนี้ตลอด ก, ก็ไม่ไม่ค่อยได้แก้ปัญหาอย่างแท้จริงเนี่ยนะบางทีแก้ปัญหาก็สร้างเพิ่มซะส่วนใหญ่ <laughs> สมมุตินะคะ่ะถ้าผุุ้ชนลำพังทั่วๆไปนะถ้าเขาคิดจะออกจากวัตานะ เราก็ไปดูคนที่เบื่อนายวัตตาเขาทาอะไรกันถ้าไม่เดินตามรอยพระพุทธเจ้านะเขาจะไปคิดที่มันวิจิตพิสดารมากๆเลยนะเขาจะไปคิดเรื่อยว่าถ้าต้องไปทําอย่างนั้นนะแล้วมันจะแก้อย่างนั้นทําอย่างงี้มันจะแก้อย่างงี้นะอย่างองมาอยู่วงการสายที่เขาเรียกว่าพระป่าพระเขาเนี่ยนะไปเที่ยวะแต่ละองค์เนี่ยเขาจะมีทฤษฎีใหม่ๆไม่รู้ได้มาอย่างไงไม่ทราบ มีทิศทางใหม่ๆว่าต้องไปทําอย่างงั้นบ้างไปทําอย่างนี้บ้างไปแก้อย่างนั้นบ้างแก้อย่างนี้มันก็ไปคิดไปกลาอนกลาอนกลาอนไปเนี่ยนะบงคนก็ต้องไปทําให้มันมีปีติจึงจะใช่นะทำให้มีเกิดอย่า ง, งานั้นเกิดอย่างนี้ขึ้นที่แตกต่างกันมากๆแล้วก็ไม่ค่อยมีตามแนวพระไตรปิฎกสักอันหนึ่งนะนี่เขามาเนี่ยเขาจะมาค้นหาอริยสัจนะที่เขามาเข้าป่าครั้งนี้เนะี่ยมาค้นอริยสัจยังไม่เคยได้ยินเลย โอเนี่ยจะมาทำปริญญาในทุก์นะแต่เขารู้อย่างหนึ่งคือรู้ว่ามันเกิดจากกิเลสเนี่ยนี้รู้รู้กันว่าทุกมันมามาจากกิเลสแต่ว่ากิเลสมันคืออะไรมั่งก็ไม่ค่อยรู้แล้วละมันได้ยังไงก็ไม่ค่อยรู้บางพวกวก็รู้ว่าเนี่ยทําสมาธิมากๆแล้วมันก็ละมันเองอย่างเง้ยส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่เท่านั้นเลยก็งสงบมากๆแล้วมันก็ละมันเองแหละเนี่ยนะไม่รู้จริงหรือเปล่าปรมัทร<อ>าบอมั้ยพอเห็นสงบไปพักหนึ่งก็นั่งสมาธิสร้างวัดซะส่วนใหญ่ นะถ้าวัดเรานะต้องสร้างอย่างนั้นนะตรงนั้นเป็นที่ทําสมาธิตรงนี้เป็นที่เดินจงกรมนะก็คิดอยู่นั่นแหละไอพี่นั่งนานๆ น, น, นี่ก็คิดว่าเป็นความ เ, เพียรเผากิเลสคือใช้คำพูดอันนี้นะนะเพราะท่านท่านนั่งนานเนี่ยถ้ามันปวดเท่าไหร่ก็กิเลสก็ถูกเผาเท่านั้น เ, เนะนะถ้ากระดูกเคลื่อนก็เผามากหน่อย <laughs> ถ้าโลคกระเพาะกําเริบอีกก็แสดงว่าปฏิบัติมากนั น, นะถ้าได้ต้งได้โลคกระเพาะด้วยกระดูกเคลื่อนด้วยเนี่ยนะหลังเสียด้วยอะไรด้วยก็ โ, โหนี้เจ๋งใช้ได้ก็ยกย่องกันโอ่งนี้อุกฤตดมากแค่นั้นก็โอ้ โ, โยมทําบุญกันมากแล้วสบายแล้วกันนะี้สร้างปัญหาใหม่ๆขึ้นไปเรื่อยไนยะถ้าถ้าไม่ศึกษาคําสอนให้ดีนะ ก็ไม่รู้ว่าแก้จริงหรือแก้เล่นก็ไม่รู้นะหรือไปเพิ่มใหม่ขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ค่อยรู้หนักๆเข้าก็ปฏิเสธคำสอนละเนี่ยนะก็จะหาทางลัดไปเรื่อยๆ อ, อ, อยู่ละทีนี้ถ้าหากว่ารอบรู้อุปาทานขันห้าอย่างถูกต้องนะก็จักละนิวรห้าได้เหมือนกันน ะ, ะนิวรห้านั้นเป็นธรรมะที่ที่ควรละเนี่ยนะ ทรงจําในสัมปัสาธนิยสูตรที่บอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะคือพระองค์นั้นละนิวรห้ามีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานสี่อ บ, บรมโพชอชงเจ็จึงบรรลุสัมโพธิญาณเนี่ยนะจึงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะละนิวรห้าจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานสี่ อบรมโพชงเจดจึงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั้นอันนวรนห้านี้ก็นับว่าเป็นธรรมะที่ยิ่งใหญ่มากๆนะนะแต่อย่าลืมว่าขณะที่นิวรเกิดกับปริยุท ธ, ธานหรืออนุสัยนี่อันเดียวกันนะไม่ได้มีความแตกต่างกันวันถ้าพูดนิวรแล้วโอค่าโยค่าคันธาอนุสัยสังโยน์กิเลสเท่ากับแสดงแล้วเนี่ยนะเพียงแต่เป็น วัยพจน์ที่ขยายแตกต่างกันบ้างจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานสี่อ บ, บรมพจน์ชงเจ็ดเนี่ยนะนีนนะ่ทั้งสมถะและวิปัสสนาเลยนะอย่าง สติปฐาน4นี่นะเราเคยได้ยินว่าพิจาจรณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกอภิชาคือกามฉันทะโทมนัตคือพยาปาทะเนี่ยนะผลาเจริญสติปฐานก็นละอภิชากับโทมนัตก็ก็เนี่ยนะโน้ตไว้เลยนะคุณเวลาวันกามฉันทะคืออภิชาเห็นไหนะ พยาปาธะเนี่ยนะคือโทมนัตเนี่ยอันเดียวกันนั้นถ้าเจริญสติปัฏฐานก็ละอภิชากับโทมนัตก็คือละการมฉันทานิวร์กับพยาปาทะนิวร์นั่นเองแต่ว่าในสติปัฏฐานโดยเฉพาะธรรมานุปัสสนาเนี่ยจะเอามาเป็นบัพพาอันหนึ่งเลยบัพพาพิเศษเลยนะเรื่องนิวร์ห้าเนี่ยคือนิวร์บัพพะที่ว่าเมื่อการมฉันทนิวร์มีอยู่ณนะภายในจิตก็รู้ชัดว่า กามฉันทานิวรมีอยู่ณภายในจิตเมื่อการมฉันทานิวรไม่มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดว่าการมฉันทานิวรไม่มีอยู่ณภายในจิตการมฉันทานิวรที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยการมฉันทานิวรที่เกิดขึ้นแล้วจะละด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยการมาฉันทานิวรที่ละที่ละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปด้วยประการใด รู้ชัดประการนั้นด้วยเนี่ยนะก็มีอยู่ห้าห้าในนะหนึ่งสรุปนะว่ามีกับไม่มีก่อนนะถ้ามีอยู่ในจิตก็รู้ถ้าไม่มีอยู่ในจิตก็รู้ถ้ามีแล้วละยังไงเนี่ยนะเอ่อขอไปที่ยังไม่มีแล้วมันจะมีได้ยังไงนะก็เรียกว่ารู้เหตุของมันแล้วมีแล้วมันจะละมันได้ยังไงละแล้วมันจะจบลงสิ้นสุดที่ไหนเนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่าเจริญนิวรณ์บับพะเนพนะ ถ้าการมาฉันท่านิวร์เนี่ยนะถ้าเกิดนะเกิดในอารมณ์ประเภทไหนก็ในปิยรูปสาตารูปนะอารมณ์ที่น่าพอใจน่าปรารถนาทั้งหลายแหละจะเป็นที่ตั้งแห่งนิวรถ้าปยาปาทะละ่ะก็เกิดในอาปิยรูปอาสาตรูปคือของที่ไม่น่าปรารถนาไม่พอใจเนี่ยนะถีนามิทะนะทั้งปียรูปสาตารูปและอาปิยรูปอาสาตรูปถีนามิทะเกิดหมดเลย ก็มันรีได้หมดเลยนะไฟเนี่ยมันเหมือนกับใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันรีลงรีลงรีลงรีลงรีลงในที่สุดมอดสนิทเลยนะหลับฝันไปนานแล้วหรือคิดคิดไปเนี่ยนะมันคล้ายๆมันมันไม่อยากคิดต่อไปแล้วในเรื่องนั้นอันนั้นแหละเป็นลักษณะของถีนัมิธนณีวรนเนี่ยนะพอคิดไปอย่างก็ไม่ค่อยอยากคิดเลยนะไม่ค่อยรับรู้ทีนะออีกศาสหนึ่งแปลว่าหดหูหรือท้อถอยเนี่ยนะท้อถอยจากเรื่องนั้นอ่ะไม่อยากจะคิดเรื่องนั้นต่อไปแล้วลักษณะอันนั้นเป็น ทีนมิธะแต่ว่าเกิดจากอโยนิโสนะจะต่างใจว่าโอ้ oh, คิดไปมากๆนี่มันอกุศลทั้งนั้นนี่อัน น, น, น, นถ้าคิดไปเยอะๆแล้วเ อ, อันนี้เป็นอกุศลทั้งนั้นแล้วไม่คิดต่ออันนี้ด้วยอนุภาพของปัญญาแต่ในที่นี้หมายถึงว่าที่ว่าหดหูนี่หมายถึงพอคิดเรื่อง น, นั้นนั้นก็ยังไม่ได้ข้อจบข้อตกลงหรืออะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันมันไม่อยากคิดต่อไปอ่ะนะมันก็เหมือนกับว่าอยู่ๆแล้วมันก็ข้องง่วงไปเรื่อยๆก็ แล้วก็หลับสนิทเลยอันนี้อีกในหนึ่ง น, นะที่มันชัดๆ น, นะแต่ว่าจริงๆแล้ววันๆหนึ่งคนที่หดหูนี้มีไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะพอหดหูปับ๊บมันก็คับๆไม่อยากรับรู้ไม่อยากไม่อยากสักอย่างเลยนะไม่อยากรับรู้แล้วอยากกระทำยังไงอะ่ะอยากหลับบ้างอยากไปที่อื่นบ้างอยากอะไรอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะอะไรเพราะถีนะมันเกิดร่วมกับโลภะก็มีถีนะบางอย่างเกิดร่วมกับโทสะก็มี ใช่ไหมหนูท่อแท้บางอย่างก็เกิดร่วมกับโลภะเนี่ยนะถ้าอยากหลับเนะี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดร่วมกับโลภะแต่ถ้าอยากไปให้พ้นอ่ะแต่ท้อในเรื่องนั้นก็ไม่เอาละปิดละน ะ, ะปิดปิดละถ้าอย่างนี้ก็เกิดร่วมกับโทสะเนี่ยนะส่วนอุทธจกักกุกุจาก็เกิดร่วมกับอะไรเกิดเริ่มกับส่วนใหญ่ก็คิดถึงบุญที่ยังไม่เคยทําอย่างหนึ่งอ่ะนะ แล้วก็นึกถึงบาปที่ทําไปแล้วเนี่ยนะนะพวกนี้ก็กุกุจะก็เกิดอ่ากุกุจานี้เน้นที่กุศลที่ยังไม่ได้ทําอักุศลที่ที่ทำไปแล้วอันนี้จะเป็นกุกุจะส่วนอุทะจานี่ก็จะฟุ้งไปเนี่ยนะนะหมายว่าจับอารมณ์ไม่มั่นนะนะอุทะจากับวิจิกิจชาเนี่ยมีส่วนที่เหมือนกันคือจับอารมณ์ไม่มั่นทั้งคู่ อุทจจานี่จะเกิดในอารมณ์เดียวจะฟุ้งอยู่ในอารมณ์เดียวถ้าวิจิกิารจะฟุ้งกับหลายอารมณ์เนี่ยนะมันจะ เ, เอาอะไรกันแน่ระหว่างสองอารมณ์เนี่ยนะอันนั้นเป็นวิจิกิารแต่ถ้าฟุ้งอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นอุทจจานะนะบางแห่งอธิบายว่าอย่างนั้นนะถ้าเห็นอะไรแล้วก็มันหมายควว่ามันไม่ได้จับเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะอันนั้นเป็นอุทจจะแต่ถ้าเปรียบเทียบสองเรื่องสองราวเป็นไปกับ สงสัยขึ้นอันนั้นเป็นวิจิกิจฉาแต่ทั้ง5ประการนี้เป็นเครื่องกั้นกุศลหมดเลยเนี่ย น, นะทั้งการมฉันทะพยาปาทะถีนามิทะอุทะจกักจกุจักวิจิกิจฉานี้กางกัน้นทานศีลและก็ภาวนามหมดเลยเนี่ย น, นะอันวนวอนห้านั้นอยู่ในธรรมะกลุ่มฝักฝ่ายแห่งสมุทัยศัพ ร, ร์เหมือนกันนะ ส่วนธรรมะอีกก ล, ลุ่มหนึ่งเลยนะว่าธรรมะที่เป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมก็คือเจโตขีละธรรมห้าแปลว่าตะปูตรึงใจเนี่ยนะคาว่าตะปูตรึงใจก็บอกว่าใจนี่มันถูกตะปูยึดไปแล้วมันก็กระด้างอัตตะขาแห่งหนึงน่งอธิบายว่าท่านแปลว่าใจเหมือนขยะเขาว่างั้นเถอะเนี่ยใ น, ใ น, ใ น, ในใจกระด้างใจเป็นเหมือนขยะหรือเป็นเหมือนกับหลักตอนเนี่ยนะมันมันมั น, มนขรุขระเต็มทีแล้ะ อันนี้แหละคือรว่าตะปูตรึงใจห้าอย่างก็ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพิสูจน์ในศาสนานี้ย่อมเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจไปไม่เลื่อมใสในภาษาสดาจิตของพิสูนนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความเพียรไม่ขาดสายเพื่อความตั้งมั่น พิสูตใดย่อมเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมไปไม่เลื่อมายในภษาสดาจิตของพิสูนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อความประกอบเนืองเนือง <re> <น Yeah>เพื่อความเพียรไม่ขาดสายเพื่อความเพียรตั้งมัน่นจิตของพิสูตใดย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความเพียรไม่ขาดสายเพื่อความตั้งมั่นอันนี้เป็นเจโตขีรธรรมข้อที่หนึ่งเนี่ย <c oughs> นะ <pillow> เน้นวิจิกิจฉาที่สงสัยในพระพุทธเจ้า สงสัยในพระพุทธเจ้ามีการสงสัยใหญ่ๆอยู่สองประการด้วยกันอย่างที่หนึ่งก็คือสงสัยในร่างกายในเรื่องสรีระถ้าอย่างสมัยนี้น่โอ้จะจริงหรือคลอดมาเสร็จเดินได้เลยอันนี้คือปัญหาที่คนสงสัยในยุคนี้มากเนี่ยนะจริงหรือเปล่าโอ้หมหาปุริสลักษณะ32ประการนเนี่ยนะจนหนักๆ ก, ก็บอกแม้ถ้าถ้าครบองค์ตามมหาปุริสลักษณะว่าคนพิการใช่บางคนหนึ่งก็ว่าไปขนาดนั้นก็มีเนี่ยนะ ก็บอกว่าเ อ, อ้นิ้วมันเท่ากันหมดมันจะไปงามได้ยังไงมันก็สงสัยไปเรื่อยนะถ้าคนยุคนี้สงสัยในสรีระนะถ้าอ่านในมหาปริศลักษณะ3 2มก็จะสงสัยไปเรื่อยจริงหรือเปล่ามีมหาปริศลักษณะ32อนุพยัญชนะ80ดสิบโอจะเป็นไปได้หรือจะเป็นไปได้หรือมีพระสมีออกตั้ง6กสีเนี่ยนะฉับพันตรังสีออกหกสีปกติอย่างน้อยหนึ่งวาในสรีระเนี่ยนะหรือมากอย่างพุทธประสงค์ก็สงสัยอีกแล้ว นะแต่ว่าที่เห็นเนทุกวันนี้เขาสงสัยเรื่องว่ า, วาจริงหรือคลอดมาแล้วเดินได้เลยนะจะเป็นไปได้ยังไงนี่นะใครเชื่อก็ก็ตําหนิคนที่เชื่อเอกว่างั้นเถอะนะใครที่เชื่อก็ทุกวันนี้เขาก็เป็นลักษณะนั้นมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็บอกว่าถ้าจะเผยแพร่พผู้ศาสนาอย่าเอาจุดนี้มาขายว่างั้นอย่าเอามาจุดนี้มาพูดว่างั้นปฏิเสธเท่ากับปฏิเสธพระสูตรประเภทนี้เลยนะอชจจิรพูตธรรมาสูตรเนี่ย น, นะก็ให้ไม่เอาเลย ว่าเกิดมาแล้วคลอดออกมาแล้วเดินได้พูดได้โอ้จะเป็นไปได้ที่ไหนอย่างนั้นเพราะงั้นก็ส่วนนี้เขาเรียกว่าสงสัยในพระวรากายก่อนอย่างที่สองก็สงสัยในพระคุณเนี่ยนะว่าเอะพระองค์จะตรัสรู้จริงๆหรือเนี่ยนะสัพพัญยุตยามที่รู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันรู้ภายในรู้ภายนอกรู้หมดทุกสิ่งเนี่ยนะพระปัญญาขนาดนั้นจริงหรือคนอะไรจะรู้ขนาดนั้นก็สงอันนี้สงสัยในพระคุณจริงหรือพระพุทธเจ้าไม่หมดเออ ไ ม, ม่ไม่เหลือกิเลสสักอันหนึ่งหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงนี่จริงหรือเปล่าเนี่ยนะก็สงสัยในพระปัญญาพระกรุณาแล้วก็พระบริสุทธิ์ของพระ อ, องค์เนี่ยนะอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เรียกว่าสงสัยในพระพุทธเจ้าถ้าสงสัยในพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วจะจะปฏิบัติตามคําสอนที่พระ อ, องค์แนะนํำไหมก็ไม่เอาแล้วนะียก็จิตในขณะนั้นก็กระด้างและเหมือนกระถูกตะปูยึดไว้แล้วจเจริญไม่ได้และไม่งอกงามอันนี้ข้อแรกข้อที่สอง พิสูจนย่อมเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจไปไม่เลื่อมสายในพระธรรมนั่นะนะไม่เลื่อมสายในพระธรรมนี้ไม่เลื่อมสายสองประการนั่นะนะคือสงสัยในปริยัติจริงหรือพระพุทธพจน์เนี่ยนะที่รักษาสืบแบบแผนที่เป็นพระไตรปิฎกมาทุกวันเนี่ยมันถูกต้องจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่รู้คนแปลแปลมาถูกหรือเปล่าไม่รู้ว่าสืบทอดมาจะตกจะหล่นไหมก็สงสัยไปเรื่อยใช่ไหมหรือว่า ทรงจำหรือว่าจํามาผิดผิดถูกๆหรือแปลผิดแปลถูกมก็สงสัยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็สงสัยเกี่ยวกับพยายาชนะสงสัยภาปริยัติเนี่ยนะอันนี้อย่างหนึ่งอย่างที่สองก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าปฏิบัติตามปริยัติแล้วมันจะบรรลุมรคผลจริงหรือเปล่าเนี <voix S 1> <ห>่ยนะถ้าบรรลุมรคผลแล้วจะนําออกจากทุกได้จริงหรือเนี่ยนะจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าถ้าเจริญวิปัสสนามากๆจะทําให้บรรลุมรคถ้าบรรลุมรคแล้วจะเป็นเพลศให้บรรลุผล อั น, นอารมณ์ของมรรคผลน่ะคือนิพานเนี่ยก็สงสัยนิพานที่สงบประงับอย่างนั้นเนี่ยจะมีจริงอยู่หรือเปล่าอ่ะอย่างงี้แหละเขาเรียกว่าสงสัยในพระธรรมเนี่ยนะสงสัยในปริยัติและก็ปฏิเวชนั่นแหละทีนี้ต่อไปก็สงสัยในพระสง์สงสัยในพระสงฆ์ว่าเอ๊ะท่านปฏิบัติดีจริงหรือเปล่านะดีทางกายว่าดีจริงปฏิบัติดีทางวาจาปฏิบัติดีทางใจปฏิบัติตรงต่อธรรมวิ น, ยนัยมันจะมีอยู่หรืออย่างนั้นอ่ะนะก็สงสัยไปเรื่อย จริงหรือเปล่าพระสงฆ์มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติมีวิมุตติญาณทัสสนะเนี่ยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเทวดามาไหว้พระพิสุสงฆ์เนี่ยนะเทวดามาอนุโมทนาจะจริงหรือเปล่าก็สงสัยอย่างเงี้ยไปเรื่อยอย่างที่สมก็สงสัยในออขอภัยข้อที่4ก็คือสงสัยในศิกขาคือในอธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาว่าเช่นปัญญาขอภัย ศีลเนี่ยนะที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากเมียในสงมากใช่ไหม อ, อะไรนะปัญญาที่สมาธิที่ปัญญาอบรมแล้วย่อมมีผลมากเมียในสงมากเนี่ยนะแล้วก็จิตที่ปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสาวะเนี่ยสงสยัยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่าถ้าเจริญตามนี้แล้วบรรลุมรรคผลได้จริงอ่ะนะ จริงหรือเปล่าเอ้เนี่ยนะถ้ามาพิจารณาแบบนี้นะมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงเนี่ยนะนะก็คิดไปก็สงสัยไปในศีลสมาธิปัญญาเรื่อยเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าสงสัยในศกขาถ้าสงสัยนะถ้าคนสงสัยในศีลจะรักษาศีลไหมไม่รักษาเลยนะถ้าสงสัยในสมถะจะเจริญไหมก็ไม่เจริญลนะถ้าสงสัยในวิปัสสนาจะพิจารณาเริยสัตว์มากไหมก็ก็ไม่เอาละเนี่ยนะอันนี้4ข้อแรกนะเกี่ยวกับเรื่องความสงสัยเลยนะสงสัยในพระพุพะทธธรรมและพระสงฆ์ ถ้าสงสัยอย่างนี้มันจะมีสงสัยอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ๊ะมันมีจริงหรือขันธาตุอายตนะที่เป็นอดีตเนี่ยนะก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องอดีตชาติอีกละเนี่ยนะเอ๊ะอนาคตชาติมันจะมีจริงหรือเปล่าหรือว่ามันตายแล้วศูนย์เลยอ่ะก็สงสัยในชาติหน้าต่อไปอีกเนี่ยนะจะไปเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นยังไงเกิดเป็นอะไรต่อไปอีกเนี่ยนะจริงหรือ กุศลมันทําให้เกิดในนรกกุศลทําให้เกิดในสวรรค์เนี่ยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อยางเง้ยนก็สงสัยไปอีกอันนี้เพมันเป็นผลพวงของความสงสัยดีไม่ดีก็สงสัยในปฏิจจสมุปบาทสงสัยในกรรมและผลของกรรมก็สงสัยไปด้วยเนี่ยนะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็หมายถึงว่าภิกษุเป็นผู้โกรธมีใจไม่แช่มชื่นขัดใจมีใจกระด้างในเพื่อนพรหมจันทร์เนี่ยนะก็ทะเลาะกันน ะ, เ, นะเกิดไม่ชอบอ่าหน้าพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเข้าก็กุศลไม่เจริญละเนี่ยนะ อยู่วัดเดียวกันก็มองหน้ากันไม่ค่อยติดนี่ก็ไม่เจริญบรผู้ที่โกรธขัดใจมีใจกระด้างขาดความเคารพยั่เกรงต่อกันเป็นต้นก็อันนี้ทำให้จิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรนนะเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความเพียรไม่ขาดสายเพื่อความตั้งมั่นจิตของพิสุด้ ย, ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อความประกอบเนืองนืองเพื่อความเพียรไม่ขาดสายเพื่อความตั้งมั่นอันนี้เป็นเจโตขีรธรรมข้อที่ห นะธรรมะหอย่างเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งความเสือ่อม น, นะคือสงสัยในสประการแล้วก็มีใจโกรธในผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นตะปูตรึงใจแล้วถ้าตะปูตรึงใจนะมันไม่ใช่หยุดอยู่กับที่เพราะอะไรเพราะธรรมะเนี่ยอยู่ในกลุ่มธรรมะทีะ่เป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมเสื่อมในที่นี้เสื่อมแค่ไหนเกิดไหมอกุศลเนี่ยเสื่อมไปเรื่อยไม่ใช่ กุศลเนี่ยเสื่อมไปเรื่อยอากุศลเจริญขึ้นเรื่อยและกรรมนั้นเนี่ยนำเกิดในอบายสบายเพราะว่าเสื่อมในทีน่นี้เสื่อมคือเกิดในอบายได้สบายๆนะข้าอยู่ในหัวข้อใดข้อหนึ่งนะพูดถึงผู้ที่สงสัยในในพระธรรมเนี่ยนะสงสัยในคําสอนเนี่ยมีอุบาสกอยู่คนหนึ่งแกปฏิบัติแกจะเอาให้ได้โสดาปฏิผลเลยนะเจริญกายขตาสติอยู่30ปีด้วยกัน เนะ่ท่องสาธยายพี่าจรนาอยู่สามสิบปีเสร็จแล้วพอเวลาใกล้จะตายนยะแกคือคือเจริญไปแกไม่ได้บรรลุอะไรนะแต่แกก็ปฏิบัติอาจจะเจริญกรรมฐานไม่ถูกเจริญก็ได้หรืออาจจะไม่มีอุปนิสัยมรรคผลในชาตินั้นก็ได้แกก็เจริญมาสามสิบปีก็มาสงสัยใกล้จะตายพอดีเลยเนี่ยนะพอตายก็เกิดเป็นจระเข้เลยเนี่ยนไะ ก็บอกว่าเฮ้ยมันจริงที่ไหนที่ว่ า, าศาสนานําให้ออกจากทุกเจริญมาตั้ง30ปีมาได้อะไรเลยเนี่ยนะก็สงสัยในเวลาใกล้าตาก็เกิดเป็นจรเข้พอดีนะตายแล้วเกิดเป็นจรเข้นะเจริญมาตั้ง30มสิบปีนะเกิดจรเข้เลยแต่ทีนี้เออเอเอความที่มิจฉาทิฏฐิอันนั้นเกิดนะถ้าพ้นจากจรเข้เนี่ยนะเกิดเป็นจรเข้ก็ทําปาณาติบาตอีกเยอะก็ไม่รู้จะไปไหนต่อแต่ว่าไอ้ที่30ปีนี้ก็คงให้ผลอยู่หรอกนีนะ ไม่รู้ว่าปราประปรยะเวทนิยกรรมมนนะเจตนาประเภทนั้นก็อาจจะให้พ้นนาเกิดในชาติหลังๆไปแต่ก็ไออุปนิสัยมิจฉาทิถีก็สะสมไม่น้อยเหมือนกันนะมีกําลังมากๆเพราะฉะนั้นการเจริญกุศลธรรมเนี่ยสําหรับผู้ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกรรมมกรคตาก็อดที่จะสงสัยไม่ได้เหมือนกันเนี่ยนะถ้าพันวิธีแก้ความสงสัยนี่ให้ให้เจริญยังไงเนี่ยนะเขาก็มีวิธีนะแก้ความสงสัยนี่ก็คือ ความเป็นพหูสูตรก็แก้ได้เนี่ยนะการสอบถามการครบกับคนที่มีอทีโมกมากๆนะพวกที่ศรัทธามากๆก็คบประเภทนั้นก็ช่วยได้หรือเว้นคนที่ น, นะมักลังเลสงสัยก็แก้ได้เนี่ยนะน้อมจิตไปในอธิโมกมากๆก็ก็แก้ได้กุศลกรรมที่ที่ทำไว้สามปีเสร็จแล้วเกิดกระส่สใยตอนแตสุดติแล้วกลายเป็นจอ เ, เทยนแพแล้วกุศลกรรมที่ทา ในระหว่างนั้นจะมีโอกาสไปให้ผลในขณะที่เป็นจลเทพไหมก็คือเป็นได้แต่ว่ามันไม่รู้จะให้ผลไปยังไงเพราะหนึ่งนะคติวิบัติคติวิบัติอันดับแรกก่อนเห็นไมไม่รู้จะไปให้กุศลส่วนไหนคือธรรมดาแล้วกุศลจะให้ผลนะเช่นทางจักขุทวานโสตทวารคานทวานชิวหาทวานกายยทวานทันกุศลก็ไม่รู้จะให้ผลส่วนไหนได้ง่ายๆเหมือนกัน ถ้าเป็นจระเข้ก็พูดถึงว่าจะให้ผลทางชิวานตะวันคงจะหมดสุดแล้วเพราะว่าจระเข้มันไม่มีเลนนะอดเลยก็ยังมีอยู่ก็ทางตาทางหูก็ภาคที่ไหนจะสมมตินะว่าถ้าจะไปให้เห็นรูปารมที่ดีๆเนี่ยนะจระเข้จะไปดูที่ไหนเขาก็แผ่นหนีหมดเลยไม่จะยกว่างเลยทั้งวันยากหน่อยแต่ว่าก็ควรจะได้รับนะ เพราะอะเพราะว่าสังเกตแม้แต่เขาจะเกิดอยู่ในทุกขติเปนตัวอย่างสุนัขเนี่ยเขาก็ทุกขติเหมือนกันมาเป็นสุนัขของคุณพิลวันเนี่ยก็ยังเขาก็ได้รับแต่แต่นี้เป็นจระเข้นะพอกาโตมาหน่อยก็เค้ฮุบฆ่ามนุษย์ไปเยอะเนี่ยนะจระเข้ตัวนี้เนะี่ยฆ่ามนุษย์ไปมากๆเลยนะมาทำกรรมามาทำกรรมอีกกสิเนี่ยนะเ<า>นี่ยนะนนะก็เป็นจระเข้ที่มากไปด้วยโทสะ ก็ผมกำลังจะพูดถึงตอนนี้ผมไม่ได้เห็นว่าจระเข้ไปทอย่างนั้นจนวันและอีกอย่างหนึ่งนะถ้าจระเข้ที่ดีไม่ใช่ฮุบเกวนเนี่ยไปเรื่องยอะอ่ะเนี่ยนเป็นจระเข้ตัวใหญ่มากในแม่น้ำคงคามจะเปรียบกับจระเข้ตัวนี้กับสุนัขคุณนิราัเพราะว่าเาอยู่ในทกติเช่นเดียวกันซึ่งสุนัขเนี่ยเาก็ นอนห้องแอร์กินมีทางลินก็ได้ทางตายก็ทั้งโหรก็ได้รัอได้รับได้หลายถวาวรเลยนะหลายถารเพราะฉะนั้นจระเข้นะก็ควรจะมีสวนได้รับบ้างใช่แต่นี้คงไม่มีใครอุ้มมาเลี้ยงรักเหมือนลูก <c oughs> มั <c oughs> ้งเพราะฉะนั้นก็เลยแต่จระเข้ตัวนี้นะตอนหลังก็มาค่าค่าพ่อค้าเยอะเหมือนกันน่าสังเกตหนึ่งนะว่าพิจิกิจฉาเนี่ยมันเกิดตอนไหนก็ เสียหายแล้วถ้าไปเกิดใกล้ยตานี่แย่มากๆเลยนะไปเกิดเฮ้นจริงหรือเปล่าเนี่ยนะแล้วชวาวนะวิถีสุดท้ายเลยนะ yeah, yeah, yeah. นั่นนะแย่แน่ที่ผมงแต่ตรงนี้นะะที่ผมต้องใที่พูดเราพูดอยู่แค่นี้จะไม่ไปพูดตอนที่จะปุตนะ <laughs> ินนะฉน <laughs> <laughs> สงสัยเนี่ยคือถ้าอย่างอย่างใกล้ใกล้จุติเนี่ยนะอย่างที่ว่าที่พระองค์ตรัสว่า กรรมสมาทานที่กรรมที่ควรส่องให้เห็นว่าควรก็มีไม่ควรก็มีกรรมที่ไม่ควรส่องให้เห็นว่าไม่ควรก็มีควรก็มีเช่นว่าอย่างชาตินี้นะคนทําอกุศลกรรมบทสิบโดยมากว่า ง, งั้นเถอะตายแล้วตกนรกก็มีตายแล้วขึ้นสวรรค์ก็มีเพราะอะไรเพราะคนเนี่ยถ้าไปมีสัมมาทิฏฐิในเวลาใกล้จะตายนะถึงเขาจะทําชั่วมากๆแต่สัมมาทิฏฐิเขาเกิดในเวลาใกล้จะตายเขาก็าไปดีเหมือนกันนะ อย่างนายเพทยคาดคราวแดงเนี่ยนะแกก็ฆ่ามนุษย์มา50กว่าปีะนะตัดคอคนมา50กว่าปีแล้วก็วันหนึ่งหลายเจ้าด้วยเสร็จแล้วเวลาใกล้จะตายเนี่ยแกก็ฟังเทศจากพระสารีบุตรจนได้สัจจานุโลมิมกฉาญาณหรือสังขารุเปกขาญาณเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ฟังทำศ ร, รัทธาสายบาทกับพระสารีบุตรเนี่ยนะก็ปลื้มกับกุศลแต่แล้ววัวก็ขลิดตายแกก็เกิดสวรรค์ดาวดึงเห็นไหม เพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ว่าจะไปอบายหมดเนี่ยนะแต่ว่าบอกว่าปฏิบัติธรรมตลอดก็ไม่แน่ว่าจะไปสวรรค์ได้เสมอไปก็เหมือนกับสาทยายอาการสามสิบสองมาสามสิบปีแล้วนะก็ให้เห็นว่าเออนี่ยวิจิกิจชาถ้ามันเกิดแล้วมันมันเสียหายอย่างนี้นะเนี่ยนะมันถ้าเจริญกรรมฐานมามากๆ ก, ก, ก็ไปเกิดใกล้าตานี่แย่เลย คือคือการเจริญกรรมฐานเนี่ยนะมันองค์ประกอบมันค่อนข้างเยอะอ่าบางคนนี่ก็คือคนในโลกต้องยอมรับนะบางเจ้านี้มานะมากเนี่ยนะบางบางคนเนี่ยก็เจริญไปโดยที่ไม่ต้องฟังเหตุผลทั้งนั้นแนหะทั้นว่าอย่างนี้ทั้นก็ว่าไปอย่างงี้แหละโดยที่ไม่ได้ศึกษาร่ำเรียนให้ให้เพียงพอนะแค่นี้ก็พอแล้วอย่างนี้นะคือคืออาจจะมักน้อยเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆไปไม่ได้รับการชี้แจงซึ่งเรื่องนี้เกิดก่อนพศหนึ่งพัน เนี่ยนะเรื่องที่เล่าเนี่ยนะเกิดก่อนพศหนึ่งพันซึ่งจริงๆแล้วครูบาอาจารย์ที่ได้ปฏิสัมพิธานในยุคนั้นเนี่ยมีมากจริงๆเนี่ยนะอาจจะว่าคือคนเนี่ยนะถ้ามันมีดีหน่อยมันก็อดไม่ได้ที่จะมีมานะเมียกุศลต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่เบาอยู่เหมือนกันเนี่ยนะแล้วก็ถ้าจากสังเกตแล้วคนนี้เป็นคนโทสะเจริตแต่เจริญอาการ32ซึ่งถ้าจะว่าไปไม่ได้ตรงกับเจริศอะไรเนี่ยนะอุบาสกคนนี้นะ คนโทสะเจริญควรจะหนักไปทางพรหมวิหารใช่ไหมแต่แกนี้แกหนักไปทางเจริญอาการสามสิบสองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพอเจริญแล้วมันไม่ได้ผลก็โทสะเกิดเนี่ยนะก็เจริญกรรมฐานผิดประเภทด้วยนี่ยนอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็อย่าไปเชื่อจิตมากนักเนี่ยนะพาคิดดีก็มีพาคิดไม่ดีก็มีมันก็พาคิดไปเรื่อย น, ะนั่นะถ้าไม่แยบคลายเมื่อไหร่นะจิตก็พาไปอบายถ้าแยบคลายเมื่อไหร่ก็สุขติท่านหน่อยเนี่ยนะ มันถามว่าโลกนี้อะไรมันน่ากลัวที่สุดเนี่ยนะก็ความคิดน่ะนะน่ากลัวที่สุดอ่ะมันพาไปเรื่อยเนี่ยนะคุณเวลาวันเห็นโทษของความคิดนี่ก็เอาละนะสมควรกับเวลาแล้วเนาะก็สงสัยในธรรมะนั่นเองเองอคือสองสัยในแ ง, ง่ไหนสงคือสงสัยเนี่ยมีอยู่สองก ล, ลุ่ม วิจิกิจฉาปฏิรูปกะกับวิจิกิจฉาแบบคือถ้าสงสัยแบบวิจิกิจฉาที่เป็นอาคุศลคือสงสัยว่าเอ้มันจริงหรือถ้าบรรลุอริยศาสตร์แล้วจะพ้นทุกอันนี้สงสัยแบบอาคุศนแท้แต่สงสยัยเอ๊ะนะขอบเขตของทุกข า, าริยศาสตร์เนี่ยมากขนาดไหนนะถ้าอย่างนี้ปฏิรูปกะไม่เรียกไม่เรียกว่าวิจิกิจฉาแต่เรียกว่าใคร่จะรู้เนี่ยนะเนี่ย น, น, นะถ้าแต่แบบเอ๊ะข้อนี้ขอบเขตกว้างขวางขนาดไหนอะไรยังไง ถ้าอย่างนี้ไม่เรียกวิจิกิจฉาเนี่ยนะ ก, ก็เรียกว่าเป็นผู้ายรู้ฝัก่ายไปอย่างนั้นควรเนี่ยนะควรที่จ ะ, ะศึกษาค้นคว้าเรียนรู้เพิ่มเติมถ้าอย่างนั้นไม่เรียกวิจิกิจฉาอะไรแต่ที่วิจิกิจฉาในที่นี้หมายถึงว่าจริงหรือเปล่าถ้าบรรลุอริยศาสตร์แล้วจะบรรลุจะพ้นทุกข์ได้จริงอย่างนี้นนะคือสงสัยลักษณะนี้